สามสิบสามที่สถาน co, ีรถไฟดีสต้าซิวน์เครเตรถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะค apan เ selanjutnya บันทึกไปเบอร์ลินรถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะคัพน์เครื่อเตะ s ่วนล้านจุ r ย์เนี่ยบันทึกปารีสรถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะคัพนเคตะส่วนล้านจุดย์่ยบันทึกลดน รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะจัม berapa kereta berangkat ke w a r s a w รถไฟไปสตอกโฮล์มออกกี่โมงคะจัม berapa ขึเรตา berangkat ke Stockholm? รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะจัม berapa kereta berangkat ke Budapest? ดิฉันต้องการตัวไปเมดริหนึ่งที่ค่ะ saya ingin tiket kereta ke มดิฉันต้องการตั่วไปปลหนึ่งที่ค่ะ saya ingin tiket kereta ke Praha ดิฉันต้องการตัวไปเบิินหนึ่งที่ค่ะ saya ingin tiket kereta ke บ์ รถไฟถึงเวียนนาเมื่อไรคะค apan เคร e t a dari Wina d a t ดังรถไฟถึงมอสโคเมื่อไรคะค apan เคร e t a d a r i m o s มอสโคว์ดังรถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไรคะ apan kereta เ a r i a m s อ e มสเตอร์ดัมดัง ดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะ haruskah saya berganti kereta? รถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะจาก i jalur berapa kereta akan berangkat รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะหรือว่ามีที่นอ t หรือว่ามีที่น ดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลหนึ่งเที่ยวค่ะ saya hanya ingin t i รั t s e k a l น jalan ke Brussels สเฉันต้องกรัากรตกลัวบ เ, เ, เ ก, เกปลันเบรั p เ n ลฉันอก่ะ saya สนอยา pulang ่ e r g i ke เซล n ันอ e ากที่นที่ัน่งใันตู่นอนอรนาคราเท่าไหเท่ราไ่คร่ย Berapa harga tiket kereta dengan tempat tidur?